บุกทูเก้าสิบเอ็ดแอนนาออนุประโยครองลงมาที่หนึ่งอด a อนห ว, วังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น เวลาบ่มยุบโขคุณทราบได้อย่างไรอดโควสเตโตดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้นอุปมดาโบโลเชเขาต้องมาแน่เรา gotovo p r แน่หรือ Yeto z n น š l i v o ดิฉันรู้ว่าเขาจะมา Beam da priđe เขาโทรมาแน่ Zagotovo p o จริงหรือ c h ส ดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมามิสลิมเด่โบโพคลิตโซไวายมันเก่าแน่แน่โชวีโนเยโกโทวสตารอคุณรู้แน่หรือ ว, ว, รวิสตโตเกโตวอดิฉันคิดว่ามันเก่า โดมนิวัมไดสตาร์หัวหน้าของเราดูดีมาก nas เชฟดอเบอร์อิสเกเลคุณคิดอย่างนั้นไหม Sevam ส di ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียวส d i ีเซม ดัซโลเซโลดอเบร์อิสเกเลหัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ๆ chef ima got าวากัคชโนพุนโซ ค, คุณคิดอย่างนั้นจริงๆหรืออริสถ o าเขามีสิทเป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้ว ฉีดต้องม e ่งกู้เชียร์ไ